พระธรรมมงคลญาณหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรเป็นพระภิกษุสงฆ์ในศาสนา 93 ปีพรรษา 73 ชาติกำเนิดพระธรรมมงคลญาณ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 โดยพระธรรมมติติญาณเป็นพระอุปัชฌาหลังจากบรรพชาได้ 10 ขึ้นในบางวันเดินทุรดงข้ามเขาเกือบ 50 กิโลเมตรก็ไม่ย่อท้อโดยถือคติที่ว่ารักความเพียรรักธรรมะ ตลอดถึงการผิดศีลของพวกเธอนั้นก็เพื่อ อย่างเรานี้จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่อนาถรร้อนใจเพราะความดีเรา ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2484 ท่านมี 21 ปีได้อุปสมบทณวัดทรายหนูเจ้า เป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์กมมาจิระบุญโญเป็นพระกรรมวาจาจารย์เปเป 8 ปี วันหนึ่งหนึ่งพระอาจารย์กงมาก็พา 4 ปีได้เดินทุดงร่วมกับพระอาจารย์มั่นเดินทุรดงร่วมปกติท่าน เมื่ออ่านให้ท่านฟังมุตโตไทยหลังท่านกลับรับ พอได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อด้วยเถอะ สวัสดีอาราธนาเทศน์เสร็จก็คงไม่เทศน์ ตั้งแต่บวชมาตั้งแต่เล็กจนแก่ตั้งมา ก็เพราะว่าเมื่ออายุ 13 ปีในก่อนที่จะมาเรียน แล้วก็ข้าสัตว์คือหมายความว่า ก็เป็นวันจำเผื่อเอือนเพื่อนนั้นน่ะอะไรก็เราก็ไม่รู้เพราะยังอายุ ในที่สุดมีแต่พวกผู้หญิงทั้งหมดก็ทนความ หลวงพ่อก็ต้องไปนั่งใกล้ๆกับผู้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 ไอ้ขนาดที่นั่งอยู่นั่นน่ะบอกว่าตั้งแต่นี้ต่อไปจะไม่กลับมา คนธรรมดาเนี่ยเออไปถึงโอ้โหมันสวยมันโอ้โหบุญของพระพุทธศาสนาเนี่ยทําให้เรา ในขณะที่เอ่อหลวงพ่อเอ่อ 4 ชั่วโมงเพราะว่าตั้งแต่ 2:00 น. ถึง แล้วก็จะหันทานนี้ล่ะหลวงวัดแต่ว่าจะต้องถามแล้วว่าท่าน ให้โอกาสตรงพ่อคือเข้าประกาศแล้วก็ถามว่าโอ้วิลยังฉันยังไม่ แล้วท่านไม่ได้สมาธิสักคนสมาธิ เป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนจิตใจของบุคคลได้หลวงพ่อ ในครอบครัวเนี่ยหนักคือตั้งแต่นั้น ก็เกิดเป็นอัมพาตขึ้นเมื่อเป็นอัมพาต กะไดอธิษฐานถ้าใครมารักษาอัมพาตข้าพเจ้าให้ แต่พวกหนูหนูอธิษฐานเพื่อจะเมื่อเป็นเช่นนั้น หลวงพ่อก็ได้รับรองกับตาภาวะว่าได้อธิษฐานอย่าง หลวงพ่อมาพาดเนี่ยต้องกายภาพบําบัดแล้วก็ยัง ผมบวชเนี่ยผมบวชต้องการอยากจะผม 8 ปีแล้ว 4 ปีได้ การทำสมาธินี่สามารถเปลี่ยนจิตใจของบุคคลได้ท่าน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 ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ของเราตายไปแล้วเนี่ยเอ่อถ้าเนี่ยมันสําเร็จไม่ การมันต้องมีพื้นฐานสมาธิเนี่ยมันต้องมีพื้นฐานบอกว่าใช่ครับ คนจะต้องวางพื้นฐานให้เนี่ยมันไม่ได้หลวงพ่อก็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 แปลเอ่อรู้รู้เฉยๆอย่างเนี้ยมันพ้นไม่ได้เพราะว่า เพราะฉะนั้นเอ่อหลวงปู่เจริญศรหลวงพ่อบอก ถ้าหากว่าผู้ที่มาเรียนสมาธิภายใต้สถาบันพลังจิตานุภาพหรือได้มาเรียนสมาธิครูสมาธิวิชาการหลักสูตรต่างอะไร ตอบได้หมดทุกคนคือประสงค์ของสมาธิคือพลังจิตนะทีนี้พลังจิตเนี่ยเกิดขึ้น บุคคลผู้ใดสามารถบริกรรมทําจิตให้เป็น 1 เมื่อจิตเป็น 1 แล้วจิตเป็น สาวรน่ะอยู่ที่เราเนี่ยจนถาวเอ่อสาวเอ่อหมายความว่าอยู่เมื่อ เราทําสามารถทําพลังจิตให้แก่เราแล้วเนี่ยเราจะ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 สมาธิสมาธินี่คือที่เอ่อปฏิปทาเหมือนอย่างเป็นประโยชน์จริงๆเนี่ยมันมีอยู่เพียงๆเนี่ยเอ่อพอๆมัน เพราะว่าตกกว่านั้นก็ใส่ปากเรา สมาธิเนี่ยมันจะมีอยู่ 2 ประการหลวงพ่อจะ 2 ประการประการที่ 1 น่ะเขา 2 นั่นคือสมาธิที่ เกิดขึ้นมาจากเราเกิดขึ้นมาเอ่อเป็นมนุษย์แล้วเราจะมีสมาธิธรรมชาติสมาธิธรรมชาติเกิดขึ้นมาได้อย่างไรสมาธิธรรมชาตินี้จะเกิดขึ้นมาได้จากการที่เรานอนหลับก่อนที่จะหลับนี่เป็น แต่คนไหนถ้าหากว่าสมาธิไม่มีแล้วมันก็จะเป็น เป็นสมาธิเฉพาะเราได้มา มีสมาธิที่สร้างขึ้นมาโดยพระ มัธวัณกินวันได้วันกินวันมันคือธรรมชาติเหมือนกับ พลังจิตนี่ก็กลายเป็นยานจะสะสมตัวมากที่เอ่อพวกเราจะเอ่อได้ให้เป็น มันมีมันมีประโยชน์สมาธิที่สร้างผลติดตามมา 3 ประการเอ่อประการที่ 1 คือการรับผิดชอบสูงประการที่ 2 คือความมีเหตุผลประการที่ 3 คือความมีเมตตามันจะเกิดขึ้นจาก เอ่อเราเนื่องจากสมาธิธรรมชาติน่ะเป็นสมาธิที่เราได้สร้างขึ้นมาทีนี้เมื่อสร้างขึ้นมาแล้วสมาธิเนี่ยจะเป็นเครื่อง การที่เราสร้างเอ่อสมาธิที่สร้างขึ้นที่เป็นสมาธิที่เรียกว่าสะสมพลังจิตเนี่ยก็ ก็จะเป็นการผิดพลังจิตทุกครั้งไปสมาธินี่ก็จะ เอ่อทําให้จิตของเราได้พลังจิตมากเพิ่มขึ้นแล้วยังเป็นการเอ่อสร้างสุขภาพกายอีกด้วยธรรมดาสุขภาพกายเนี่ยมีความ มันก็จะสามารถเอ่อที่จะสะสมพลังจิต เอ่อการจะกว่าจะจงกรมมีการนั่งสมาธิแล้วเมื่อมีในโลกนี้ 60,000 ล้าน เอ่อคนเนี่ยความเห็นเนี่ยมันจะต้องตามคนเนี่ยความ เพราะเพราะว่าไม่สามารถควบคุมจิตใจได้ที่ไม่สามารถควบคุมจิตใจได้ก็คือไม่มีพลัง ไม่สามารถจะควบคุมจิตใจได้คือไม่มีพลังจิตเพียงพอทีนี้ถ้าหากว่าเราได้มีการพยายามที่จะสร้างพลังจิตเนี่ยให้เพียง มันเป็นสิ่งที่ง่ายมากผู้หญิงก็ทํา เพราะสามารถลดระดับความขัดแย้งนั้นพ้นครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ถ้ามันเป็นหลักก็เรียกว่าเนี่ยมันจะต้องสมาธิเราก็ควรจะ 8 ปีแล้ว 4 ปี เรียกว่า 10 เอ่อ 12 เปเนี่ยหลวงพ่อศึกษาอย่างละเอียดถี่ <ฮ>สหันคอสเนี่ยคืออ่านะอย่างถ้าอย่างหลวงปู่ก็มีความลับเท่าไหร่เออ เอ่อคืนนึงวันนึงวันนึงต้องบีบตั้ง 3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงทุกวันอย่างงี้บีบไปเรื่อยบีบไปก็นึกไปบีบไปก็นึกไปเอ่อบีบ เพจได้รู้ได้ว่าอันนี้มาจากหลวงมั่นได้ประสบการณ์มาจากเอาคำสอนของ 25 ปีหลวง หลวงเนี่ยตั้งเป็น 50 ปีศรัทธาประชาชนชาวไทยเป็นแสนๆเป็นตำรามันกลายเป็นตำราเนี่ยหมายความว่าตำราที่เรียนสมาธิภาใสสถาบันพรังกิตานุภาพที่หลวงพ่อเปิดเรียนกันอยู่ ไม่ใช่ว่าไปเอาตำราโน้นตำรานี้เอาได้เอ่อเป็นสากลที่สากลนี่ก็คือว่าสามารถถ่ายทรูให้ได้ ผิดมาแต่ในผิดมาเอ่อโดยมากก็ไม่ได้ผิดโยมผิดแต่พระเนี่ยผิดไปผิดมาก็หลวงพ่อ แม่เป็นสอนยอมเลยนั้นหลวงพ่อเป็นอาจารย์เลยเปลี่ยนอ่าเอ่อให้โยมนี่ Meditation Instructor Pod นี่เค้าเรียก เรียนราว 4 เดือนแล้วก็สามารถที่จะมาเทรนแล้วก็เป็นครูๆเพราะว่าเมื่อเรียน ไอ้หลวงซาเนี่ยก็มีประกาศนียบัตรรับรองด้วยหลวงพ่อไม่มีใครเซ็นหลวงพ่อเซ็นเองอ่าแล้วก็เป็นประกาศรับรองให้ว่าเป็นครูเอ่อสามารถที่จะมี แล้วก็ไปสอนท่านได้อย่างเงี้ยเอ่อเวลานี้หลวงพ่อมีคารวาสเป็นครู พวกเดือนนี่มันมากโคตรไม่มีเวลาไม่มีเวลา 20 ปียาม 12 ปีอ่า 10 ปี 20 ปีแล้วก็ สมาธิแต่ละคนอย่างเนี้ย 10 ปี 20 ปีแล้ว 6 เดือนเนี่ยมันจะมากอะไรเอ่อโคราชขนแกนอุบลอุดร น้องคล้ายเออเปิดหมดไม่ว่าภาคไหนแล้วก็อาจารย์ก็อาจารย์หลวงจะสอนได้ โยมก็สอนพระได้พระก็สอนโยมได้หลวงพ่ออยาก 60 องค์ 60 องค์แล้ว 60 องค์เค้าก็ไปใน เอ่อทำสมาธิเอ่อ 60 องค์ก็ทำสมาธิกันยังไม่ได้สำเร็จแล้วที่บ้านนั้นน่ะผู้ใหญ่บ้านเอเออง 60 องค์แล้วหาย พระธีรังเป็นมหาคนฤจิตตสารพอมหาคนฤจิตตสารผู้ใหญ่บ้านก็สงสัยทําไมท่านจะต้องทะเลาะกันด้วยท่านเป็นพระแล้วยอมสมัยถึงว่า อ่าถ้าสําเร็จท่านอย่างงั้นชั้นทําไม่ได้เหรอโอ้ได้สิโยมพระท่านก็เลยสอนผู้ใหญ่บ้าน พอประกาศเสร็จแล้วก็บอกให้ประชาชนว่านี่ไปทําบุญกับเนี่ยอาหารไม่พอมันทัน ว่าวิธีการจะให้สําเร็จมันทําอย่างโอ้ยขอใจผู้ใหญ่บ้านส่วน หลวงพ่อมีสักขีพยานอย่างแล้วหลวงเอ้าเกลี่ยมใหม่นี่จะเอ่อบ้านศรีสุเกรีย์อะไรเนี่ยแม่เอ่อเริ่มเอ่อปิดครูให้หลวงพ่อได้ตั้งเจอๆว่าหลวงพ่อ เพื่อที่จะให้สมาธิมีความกว้างขวางยิ่งขึ้นหลวงพ่อพ่อบวชมาตั้งแต่เล็กหลวงโรงพ่อก็ไม่รู้จักภาษาอังกฤษทีนี้ก็ให้ล่ามมา หลวงพ่อก็เลยกัด 79 อายุเริ่ม ABC D <c oughs> อ่า 3 นอนพอเลยที่ 3 แล้วไม่ต้องนอน 3 4 5 6 6 แจ้ง 1 ชั่วโมงหรือ e, 2 ชั่วโมงท่ําสักภาษาอังกฤษ ABC LI S S A T G ก็ว่ากันไปเอ่อในที่สุดหลวงพ่อเรียน ภาษาแล้วก็ไปสอนเข้าจนได้นี่แปล <Yeah. S 1> uh, before you start to meditate you master uh, have overcome emotion when you uh, start to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 immediate into my impermanent more and more you practice my power uh, collection with the dual my increase intention you have strong my power แน่ก็พูดได้นะไม่ใช่ไม่พูดไม่ได้อ่าเออแล้วพระหล่ามันก็ฟังออกทีนี้อือไอ้อันดับแรกเนี่ยหลวงพ่อยอมรับว่า หลวงพ่อไปสอนภาษารุ่นแรกผิดบ้างถูกบ้างหลวงพ่อมันเอ่อมานั่งฟังหลวงพ่อแล้วมันก็หัวเราะมันจะ รูปบ้างเพล้ามันมาพันกันเยอะเออมาหัวหัวเราะเวลาหลวงพ่อพูดผิดมันก็หัวเราะหัวเราะจนตกเก้าอี้ว่าทําไมถึงหัวเราะจนตกเก้าอี้หลวงพ่อเลิกว่ามันขันธ์หลวงพ่อเอ่ออธิบายธรรมะมันขันธ์มันมันมันถึงหัวเราะแต่จริงไม่ใช่ เอ่อ 3 หน้ากระดาษหลวงพ่อต้องใช้ 5 ชั่วโมงก่อนจะต้องไปสอนมันอย่างนี้เป็นต้นเอ่อแต่พอ แคนกะรีจากแคนกะรีไปเปิดเวลคูเวอร์จากเวลคูเวอร์ไปเปิดโตรอนโตจากโตรอนโตไปเปิดที่นั้นตกในอังกราจาก แต่ว่ามันจะให้ชื่อว่าไม่ได้แท้เจนอินสตรักเตอร์มัน อ่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วยกมือไหว้หมดแล้วโอ้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น วันนี้เนี่ยแปลเป็นภาษาไทยว่าตัวเตือนเอ่อมันมีฝรั่งคนหนึ่งมันเฮ้ยแกเอามาทําไมบอก อ้าวอย่างนั้นแกมาชวนฉันมันวิ่งรถไปเค้าปาดหน้ามันมันโมโหจับปืนมาโอ้หลวงพ่อเค้าบอกว่า <c oughs> นั่งคิดอยู่ที่บ้านหลายวันเสร็จแล้วก็กลับมาๆให้แก่ และให้หนุ่มสาวหนุ่มสาวก็จะมีความแก่หล้าให้เจ้าคนที่ จนกระทั่งได้ประโยชน์คือว่าแต่ก่อนเนี่ยถ้าอาจารย์ตายไปแล้วลูกอย่างเงี้ยอ่าพออาจารย์ท่านมรณภาพแล้วก็มีใครไปเป็นปารโรคอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าหาพวกมาเรียนสมาธิ แล้วก็สอนก็แบบเดียวกับหลวงด้วยเพราะว่ามันเขียนเป็นตําราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีอยู่อย่างเดียวเวลานี้คือขยายงาน แล้วสมาธิสมัยเป็นไงมีความสุขมี มรรคผลธรรมพิเศษนักเป็นโกรธได้ยังไง เมื่อสะสมพลังกิริตให้มากแล้วพลังนี่วิริยังท่านยัง 10 ปี แล้วหลวงปู่ท่านก็ไปถามหลวงปู่มั่นต่อหลวงปู่มั่นก็บอกนั้นเพราะฉะนั้นในเวลาเนี้ย เรามีครอบครัวก็เป็นประโยชน์การทําการทํางานอะไร 7 คนเนี่ยหลวงพ่อจะโง่กว่าคนเร 10 วันก็เรียบร้อย 16 เดี๋ยวนี้ยังท่องได้ยังยังสวดได้อยู่อายุ 94 แล้วนะเออเอออุปโสธากรณัสสโตภุเณนวะวิทังภวกิจจันตถาโพธิตทณสมัจจะตถาปฏิ เมื่อเรามียั่วศาสนาสมาธิหลวงพ่อมีหมดๆ สอนว่าอันนี้นรกเอ่อแกกินเหล้านรกเอ่อแกไปเล่นไพ่นรกเอ่อแกไปผิดทุบเบี้ยคนอื่นนะมันนรกแกไปกินยาเสพติดนะมันนรก ขอรับชมรัชชันอีกก็ว่ากันอยู่เวลานี้นะเพราะอะไรเพราะว่าคนไม่เชื่อว่านรกมีบอกว่าแก้นะ กินเหล้าแล้วเขาจะเอาน้ําทองแดงกรอกปากเอ้ยกรอกปากมาใส่ปากกูมันก็ บุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งโลก สัพพะปาปัสสะอกะระณังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำบุญกุศลให้ถึงพร้อมสติจิตตาปริโยทปนังเอ่อการทำสมาธิให้จิตของแท้เอตังพุทธานศาสนังนี่คือคำสอนขององค์ แต่ว่าพวกกินเหล้าก็ยังมากอยู่เท่าเก่ายิ่งมากกว่าในพระในพระสัทธรรมได้ ด้วยตนของตนเองโดยการที่มาทำสมาธิ สมาธิภายใต้สถาบันพลังจิตตานุภาพเคยกินเหล้าเมา คำสอนก็ดีอยู่ที่คำสอนเท่านั้น ตลอดไปก็เนื่องด้วยความที่มีจิตเองเมื่อเป็นเช่นนั้นควรแล้วที่พวกเราทั้งหลายสามารถที่ ไปในถามที่ถูก, ไปในถามที่ควรทางที่ถูกไปในทางที่ควรเอ่อ 4 ไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกไม่ต้องไป ก็จะเกิดขึ้นแก่ตัว อาวสานการเป็นที่จบลงของการบรรยายในวันนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบรรดาเนท่านทั้งหลายจงประสบด้วยอายุวรรณะสุขะ E vam ko mi dvoj prakara jane.